สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจริญก้าวไกลาชาติเปเรื่องให้ประเทืองและงามไม่เลยอาณาไม้พระปาน้ำไปขอตั้งใจอ า, าสาเทศสภาน่วยรับงานมากมายหลายด้านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ใหญ่บ้านเทศสภานต้องรับแจ้งมาเป้าทำการที่ทำ ง, งานพร้อมไปทุกระเพื่อนะัก เทศบาลคือบ <coughs> <coughs> ันไดของการปกครองตามขนองแห่งชีวตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อ้องงให้ำงใจด้วยการรับใช้นไปนค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงารปกครองท้องถิ่นทั้งท่านสุขสันทั่วกันเบานก็คือเรา เหตุสำคัญเหสบานี้จึงสำคัญรวมกระสาน สบานโดยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเินเท้าไกลชาติกุ่เรื่องให้ประเทืองและงามนม่เลยอาณาไม้พระปานาไปขอตั้งใจอาจสาสบานโดยรับงานมากมายไล้ด้านเจ็บหรือตายหุ่นไว้ใหญ่บ้านเทศสบานต้องรับแจ้ง เพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคนตาคนไกลไงาเทส บ, บานคือบันไดของการปกครองต่างคลองแห่งชีวิความที่มีประชาธิปไตยเพื่อประับพลและบางให้จำปังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทางทานินสุขสันต์ทั่วการ ากาคือเราไม่ช่วยสัมพั์เทศบาล น, นี้จึงสาคัญรวมประสานคอยรวมมือเง่นประเทศศิลาอาที่ลังศาสตร์รถดีเมืองพระศรีพนมมาศแหล่งไม่กว่าตองกงดยหอมแดงเรื่องชื่อนาระบือตำนานเมืองแม่ไม้วิสัยทัศน์ของเทศบาล ศิพนติรดกศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความรวมสมบูรณ์ของเมืองลับแหล่ที่ไม่มีวันสิ้นูนย์สลายสวัสดีครับคุณนฝังครับพบกับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ ของทางเทศบาลตะบนศรีวิโนมัติเหมืองลับแหลกครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่18กันยายนพุทธศักราช2565ห้รหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้1 7บเรยการนาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญท่านฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ เจปวดเจปวดพื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้มีสํำหรับคนที่ยากจนชีวิตของเราเป็นยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใจเป็นยังคือเป็นจังซีเป็นยังคือเป็นจังซีก็เป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บโอ้บังลาเอ้อใส่ชีวิตให้ร อย่าไปฟังส้างเขาถ้าหอบให้กลมากินข้าวกันที่บ้านของ แม่ลูกอยู่สุขสบายบ่ได้ลาบากมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่มีเงินให้ใช้แต่ว่าความจริงแล้วรูกแค่ยอยากให้พ่อกับแม่บ่ต้องขึ้นเรือบอ่ต้องห่วงลูกดอนรูกสบายดีว่ารู้สบา a a n Lose the b a t t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันพุทธที่28ครับมาครึ้มใหีกแล้วนะคุณผู้ฟังยังต้องติดตามครับเรื่องของสถานการณ์พายุ โ, โนรูคุณผู้ฟังซึ่งคาดว่า6โมงเย็นวันนี้ก็จะเข้าถึงอุ บ, บลนละครับต้องดูว่าจะส่งผลขึ้นกับทางเหนือหรือเปล่าเพราะบางจังหวัด ก็มีปัญหาเรื่องของน้ําเก่าอยู่แล้วแล้วมาเจอฝนเจอฟ้าวันนี้อีกจะขนาดไหนคุณผู้ฟังต้องเฝ้าติดตามนะครับต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนของเราก็ต้องดูครับว่าจะได้รับผลกระทบถึงอุตรดิตถึงระแลขนาดไหนด้วยเช่นกันก็เป็นเรื่องของพายุเรื่องของภัยธรรมชาติคุณผู้ฟัง ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราก็ยังอยู่กับธรรมชาติแต่ก็เตรียมความระมัดระวังกันได้ด้วย ก้าพานยังมาละายแล้วกะพ่อมาปร์สุนแลแล้วปมมอ้อมแนบอทั้งเจ้าชูทั้งลายใจเหตุมึงให้เสีย ใ, ใจนั่นตาคอมึงสิทนต่อไปสันบอกคำว่า ก็เลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอีนีลาสูสูสบได้เป็นกูสูสบโดาาเอาจังสีกูสีว้าสูฟังว่าเป็นยังกูคือหักทั้งทั้งที่เขาลายใจเป็นยังกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ ผู้เป็นมาเปิดแล้วคนโง่ันสวะคนบอถือข้างคนถือทิ้ง ถ, ถ, ถือป่าถือไมีน้ำตาโงบลั่วไคว่เปิดคื อ, ค อ, ค อ, คอมาผู้เป็นมาเปิดแล้วสิเปิดอีสิงโง่อีสิเป็นยังกะฮักเขาลายป่านนั้นสิให้เฮ็ดจังไดกันย้อนว่าฮักเขาลา ว่าหักมันยอมทุกอย่างอิลิลาสูสูบได้เป็นกูสูสบอดอเอาใจกูสิียวสูฟังว่าเป็นอยัางกูคือฮักทั้งทั้งที่เขาลาให้ใจเป็นอยังกูคือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ กูเป็นมาเบิร์ตแล้วคนโง่คนสัวคนบ่ถือข้าคนถือถื่นถือปา่าถือยปมีน้ำตาโง่เือใครปื้อคือมากูเป็นมาเบิร์ตแล้วสิปื้ออีสิงโง่อีสิเป็นยังกะฮักเขาลายป่านนั้นสิให้เฮ็ดจังใดกะย้อนว่าฮักเขาลา ต่วคนบอดถืกขักคนถืกทิ้งถืกปาถือไปมีน้ำตางโงกคือควายเปื้อนคือมาผู้เป็นมาเบิดแล้วสิเปื้อนสิโง่สิเป็นยังตาฮักเขาหลายป่านนั้นสิให้เหตุจังไดกายนว่าฮักเขาลา แต่เราเรู้นี้ครับก็ยังเอาเรื่องราวของเทศกาลกินเจมาฝากครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของตำนานการกินเจครับการกินเจมีมาตั้งแต่สมัยบรรพการครับซึ่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านานโดยเทศกาลกินเจจะเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งค่ำถึง9ก้าค่ำเดือน9นับตามปฏิทินจีน ตามตำนานเล่าว่าเมื่อเล่าจือ้อศัสดาหแห่งลาที่เต๋อเกิดขึ้นได้ถือพรตของลาที่เต๋าแต่นั้นมาเมื่อก่อนการกินเจไม่มีการกําหนดถือเอาความสะดวกของผู้กินแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนนิยมกินเจในช่วงไว้ทุกข์เพื่อเป็นการปฏิบัติตนในทางที่ดีงามและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยต่อมาเมื่อเกิดกบฏไทเพ็ง ซึ่งชาวจีนได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านและหวังกอบกู้แผ่นดินจากพวกแมนจูผู้ก่อการกบฏถูกจับประหารชีวิตยังความโศกเศร้าเสียใจให้กับชาวจีนจึงร่วมการปฏิบัติธรรมโดยกินเจและถือศีลเพื่อทิศส่วนกุศลให้กับผู้ถูกประหารชีวิตการกินเจจึงถูกกำหนดให้เป็นเทศกาลตั้งแต่นั้นมา ก็เป็นที่มานะครับของตำนานเทศกาลกินเจครับที่ยิมมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับอมสิทธิ์ที่ท้งฟื้นเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดังกับเขาเถิดนะเชื่อเสียงกอง้า คนรักมากมาย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 โด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่มนา่ากูงามคือดังพระแมนให้แขนกูงามดังพระนนรายัยให้ริษกูงามดังพระจันชายสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน่ากู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 เดินเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดน้าเชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่น่ากูงามคือดังพระแม่ให้แขนกูงามดังพระเนรัยให้ริทกูงามดังพระจันร์ชายสาวมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้า Nhưng still, t i i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 คงไม่มีเธอเดินร่วมฉันความรักที่เคยสะสมวันนี้มันโดนทิ้งความวัวใจมันคงอ้างวา้างทอรมานอีกนานหลายปี จริงไม่ใช่ความฝันที่ตรงนั้นที่เขายืนเมื่อก่อนนี้เคยเป็นตัวฉัน ฉันมันมีแค่ใจคงไม่มีเธอเดินร่วมความรักที่เธยส้าสมวันนี้มันโดนทิ้งความหัวใจมันคงอ้างว่าสอรมานอีกนานหลายปีดีแล้วที่เธอเลิกเขา ดีแล้วที่เธอทิ้งไปตัวฉันมันมีแค่ใจคงไม่มีเธอเดินร่วมทางความรักที่เคยสาสอ<า>ง<า>วันนี้มันดอนทิ้งขวาหัวใจมันคงอ้างว้างทรมานอีกนานหลายปี หัวใจฉันของอ้างหวนันจิด อ, อีกงานลา น, ลานอีกมากันที่ประกาศเตือนภัยครับ ของครมตูุครับเรื่องขายุโนรูฉบับที่14ครับลงวันที่ 20, 28กันยายนนะครับซึ่งเขาคาดการว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับ28กันยายนภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม ชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสา ร, รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล29กันยายนครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน ล, ลำปาง น, าน่านพะเยาแพร่อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูร์ซึ่งก็จะตามนี้ครับทั้ง30 อ่ทั้ง2ี่และ30นะครับก็มีเตือนรวมของอุตรดิตรวมอยู่ในภาคเหนือที่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันก็เป็นประกาศนะครับหน้าวันที่28กันยายนเวลา13บสนกาที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดแล้วนะครับฉบับที่14ครับมีเตือน28นี่ภาคเหนือกระทบ ไม่กี่จังหวัดนะครับมีพิศนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ส่วน 29-30 นี่แทบจะทั้งภาคเหนือเลยเดียวที่มีรายชื่อติดโผเตือนภัยไว้อยู่เกาะระมัดระวังได้ครับเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพายุโนรูให้ดีด้วยครับ พี่คิดจะรักษาพี่จะไม่หลอกน้องเหมือนกับผี่จะเป็นเด็กดีที่รักจ๋าพี่จะไม่จื้จะไม่ซนไม่ต้องกังวล น, นักหนาถ้าพี่เคยสาวก็รัศมีย่อมเดินคนดีพี่ภาคีถ้าเปรียนให้พี่เป็นปิ่นทองน้อคงเป็นแก้วหน้าม า, าเปลียนให้พี่ดะเหมือนกับเนาะน้องคงจะเหมาะเป็นรถนาถ้าเปรียนให้พี่เป็นขาววีคนดีคงเป็นแม่จันสุดาวกกันนั้นก็ดียังสีชมพูและไอก้กระจุรีอะไรติดต่ <ละ S 2> อจากใจร้ายจากผู้ชายที่แสนดีกลายเป็นยักษ์สีลงมือทำร้ายทำลายหัวใจ หากีวันใดสองเรานึ่นต้องห่างไกลให้เธาพกรูปของฉันเอาไว้คอยเตือนคอยย้ำไม่ให้วันไหวบอกเขาเลยว่าเธอมีแฟนแล้วบอกเลยคนดีแลกความรักเราที่ น้องชอบคนรวยรอพี่ทุกห้วยก่อนจะพาบังอ่อนไปซ้อนท้ายเรือบิน ไปซื้อเสื้อลุยวิ่ต๋องตอนนี้แก็บล่องของทางบ้านพี่ไปก่อนจะพามังออนไปซื้อเก็บเปาแห่นเม็ดตอนนี้ช่วยลำเด็กกรีดยางก่อนได้ไหมกลัวน้องอยากนั่งเลมโบ้ขันบ่ายช่วงนี้นั่งพวงรายสอนไทยไปแทงปามเรือว่าคนดีอยากจะเสริมความงามตอนนี้ช่วยล่างชามสักผาพี่ไปพลาง ความกิงความฝันมันยังห่างกันเกินนองอยากเลยความเจริญรอพี่โทรเบอร์ก่อนถ้าน้องชอบคนรวยรอบพี่ทุว้วคยก่อนจะพามังอ่อนไปซอนทายเรือบินถ้าพี่รวยมันทักสินจะพาน้องบินไปดูใบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลดูใบในหมอพี่ไปก่อน รอผีไอ้ตุปกเบอร์ก้อนเลวบาบาบงโอนมาเป็นลูกพายเว้นทองวเว่นเพชรหรือห้ายข้อได้ตามใบถ้าผีตกใจวันที่ที่พบคนดีผีเป็นเศรษฐีไอ้ร้อยว่าเคยผีตกลุ่มรักรูปไม้รักงงแกยตายโรอไอตุ๊กเบอร์เมื่อวาน ความฝันมันยังห่างกันเกินดองอยากได้ความจรุดเพราะพี่ทูกเบอร์คนถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ทูกก้วยก่นอนจะคฟ้าบัง อ, อ่อนใบสอนทายเพื่อบินจาบี่หัวเหม็นตักตินงาบพาล้องบินไปดูใบดูตางนี่เปลามันยังห่างไกลถ้ า, ถาน้องชอบคนรวยรอพี่ทูกกล้วยก่นอน จ ะ, จะพา บ, บาังอ่อนไปซอน่ายเรือบินชาบี่รวยเหมือนทักสินจะพาน้องบินไปดูใบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ทุกข์กุยก่อนจะพาบังอ่อนไปซอน่ายเรือบินชาบีรวยเหมือนทักสินจะพาน้องบินไปดูใบดูตังในเป้ามันยังห่างไกลดูใบในหมอพี่ไปก่อน พายากรณ์อากาศภาคเหนือครับคุณผู้ฟังภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมแรงบริเวณจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาครับก็เป็นพายากรณ์อากาศภาคเหนือนะครับถึง17บเนิกาวันพรุ่งนี้ครับ ที่ส่วนลำใหญ่คอยแท้ตอนพุ่มใต้ป่านนี้ทมายที่ยังไม่มาอีตอนที่นั้นดวนไม่คลายผ่านเวลาใบาสองโมงความที่รู้ไม่ว่านวลม า, าลันรอลอยนวลคอยที่ส่วนตั้ง ีแลอบอกแล้วใช่ไหมเก็บลำยายให้ที่รอหมาแดงกัดคอให้หนวนั่งรอในส่วนลำยายลำยาย ตายแล้วพี่เอ่ให้นวลคอยที่สวน บอกใคๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีเก็เหน็ดหนาวบางครั้งก็รู้เท่าแต่เราไม่ท้อคอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่คอยา่าถึงคุณวันนั้นสดใสผู้คนนั้นหมายแบบ ธงของไทยในคืนเป็นเดือนสิอวัฒนธรรมยืนยาวผู้คนรักไทยพองดองเอาไทยทั้งพ้องพี่น้องกันใจอื่นกลบางทีก็ เ, นเหน็บหนาวบางครั้งก็ูเาแต่เราไม่อพอพอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่เคยมาถึงคืนวันสดใสผู้คนทุนใหมส่สรรนัในคนนุณแนดินไทยแลนแลนดไทยแล ว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยบางทีก็อเหน็ดเหนาบางครั้งก็ขูดเราแต่เราไม่ท้อคอยืนสู้เพื่อวันใหม่วันที่คอยมาถึงคุณวันนั้นสดใสผู้คนวันใหม่แบ่งหัวใจให้แก่กานเรามีเท่วันดูต้องเดียวไม่มีพระจัำดวง ใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจแห่งรักแห่งความเมตตาดีพวกเราน่องไปสามกิบละเทศไายเรามีเท่ามันดวงเดียวไม่มีพระจันทร์ดวงใดสว่างสดใสเท่าเรามองจากมุมนี้มุมที่มีใจ รวงรวงร ว, วงพาาลาว ม, ม, ม, มันเล้ามันลมสมใจทุกคืนอารมในรถของแอลกอฮอล์ก็เล่งยังเมาไม่พอแม้มนมรณาก็เล่ายิมยืนทันสมทรผู้ชิดผู้ราทัอยัดยืน ย, นยาขอบและคนอื่นๆล้วนเป็นตัวยืนสเสน่ห์ไม่รา้ายลมลมพลาวมันนั่งจนแก้วริมคลอง ไม่มีบันดีสีทองก็มีบัลลังก์ช่ชางใจนักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสู่ขาวดีรำไรเลี้ยงดวงหรือไทยสหายสุรา คนแกะแถวริมคลองไม่มีบลันดีสีทองก็มีบลันดองชุ่มใจและร้องดนตรีกีตาร์ชนช้างจะนำเราไปสุขภาวะดีร่ำไรเลี้ยงดวงเพื่อไทยสหายสุรา Oh oh, แต่เจ้าตาฮัอีมึงดีดีตงับปลายเจ้าสิมั่บอลคนสักลายเกากงานี้ ครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการสื่งตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพฤณมาตรเมืองลำแหล่แล้วนะครับก่อนจะการฝากด้วยครับ18บแนาฬนาทีวันนี้ครับเปิดทางช่อง23่สบสครับรับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลครับของทีมชาติไทยนะครับก็สนใจไปเชียร์ทีมไทยของเราด้วยครับ18บแนาฬิกนาทีโดยประมาณครับสำหรับวันนี้คงต้องนํารายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้